ทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยนะรูปที่6ที่มีปัญญามากก็คือพระที่ที่เรากําลังพูดถึงก็คือพระมหาโกธิตะเนี่ยอันภิกษุผู้มีปัญญาน้อยไม่สามารถที่จะถึงยอดของปฏิสัมพิทาหรือปฏิสัมพิทาญาปัญญาเป็นเครื่องแตกฉานทั้งสี่อย่างเลยต่อเป็นผู้มีปัญญามากจึงจะสามารถแตกฉานในปฏิสัมพิทา เพราะความที่เป็นผู้มีปัญญามากนี่แหละพระมหาโกธิตะจึงถึงความเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมพิทายานทั้งสี่เป็นผู้ที่มีปัญญาหนาแน่นไม่มีที่สุด น, นะมีปัญญามากเหตุผลที่พระมหาโกธิตะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากน้อมไปพิจารณาอัดก็รู้อัดน้อมไปพิจารณาธรรมก็เห็นธรรม น้อมไปพิจารณานิรุตินิรุตก็ปรากฏน้อมไปพิจารณาปฏิพานปฏิพานก็ปรากฏเนี่ยนะเพราะพระท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะท่านจึงพิจารณานิยะทั้งต่างได้ไม่มีอย่างไม่มีที่สุดเหตุที่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะปุพพโยคะท่านเป็นผู้มีบุญเก่าทำไม่ดี บุพภาพประโยคหรือว่าเป็นคนที่มีปุพเพรกระตะปุญญาตาสั่งสมบุญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานมาตลอดสี่ตลอดแสนมหากรัพของท่านท่านทําบุญเน้นประเภทปัญญาเนี่ยนะคล้ายกับสมัยนี้บอกโอ้ให้ความบอกว่าอภิธรรมเนี่ยถ้าเรียนมากแล้วจะได้ปฏิสัมพิทาโอ้บางคนเนี่ยเรียนเอาเป็นเอาตาเนี่ยนะจริ ง, รงก็เพราะอยากได้ปัญญาเขาก็ฝักใฝ่ทั้งท่องจําทั้งกําหนดจดจําทั้งอะไระก็เพราะว่ามีศรัทธาที่อยากจะมี ปฏิสัมพิธารู้มัง่งไม่รู้มัง่งก็ไปไรขอให้ได้ต่อไปได้ปฏิสัมพิธาก็ใช้ได้แล้วละ่ะนั้นเรียนไปเรียนมาก็เป็นบุญวาสนาให้ได้ปฏิสัมพิธาอยู่แล้วเราก็ไม่ว่านะก็ อ, อนุมโมทนาด้วยนะเพราะว่าสร้างสมบุญเพื่อให้มีปัญญามาก อันหนึ่งแค่ว่าเหตุเก่าก่อนเนี่ยนะบุญเก่าทํามาดีไหมอย่างที่สองต้องเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลปฏิสัมพิธาเนี่ยนะจะแจ่มแจ้งอย่างพิเศษเนี่ยจะต้องได้โสดาปฏิมร์โสดาปฏิพนแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะเสขะปฏิสัมพิทาก็ไม่เท่ากับอเสขะปฏิสัมพิทาเนี่ยนะก็คือเป็นพาธฐาบนบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทานั่นแหละจึงพิเศษและก็ยอดเยี่ยมทีนี้เป็นพาธฐานก็ต้องเป็นพระาธหานที่หมั่นสอบถามมากๆเนี่ยนะ พระอย่างเช่นพภาษารีบุตรก็สอบถามพระพุทธเจ้าพระมหากจัจยนะเป็นต้นท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่สอบถามพระพุทธเจ้าเพราะเพื่อปันปฏิสัมพิทาก็จะได้หนาแน่นกว้างขวางยิ่งขึ้นและท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่รักการฟังธรรมเนีย่ยนะกกปฏิสัมพิทาเนี่ยนะอย่างพระมหากัจย์พระมหาโกธิตะปฏิสัมพิทาท่านแตกฉานยิ่งขึ้นเพราะท่านขยันถามเนี่ยนะท่านถามก็ได้ท่านตอบก็ได้ท่านขยันถามขยันตอบ และท่านมีศรัทธาที่จะฟังเนี่ยนะท่านมีความสุขในการฟังธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแต่งตั้งพระมหาโกธิตะเป็นเอตทัคฆะว่าภิกษุทั้งหลายเหล่าภิกษุผู้บรรลุปัญญาที่แตกฉานหรือว่าถึงปฏิสัมพิธายานเนี่ยนะเป็นเลิศในด้านปฏิสัมพิทาก็คือพระมหาโกธิตะหรือโกธิกะเนี่ยนะก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นพระมหาโกธิตะนั้นถือว่าเป็นเลิศในทางปัญญาเป็นเครื่อง แตกฉานน้อมไปพิจารณาอัดอัดก็ปรากฏน้อมไปพิจารณาธรรมธรรมก็ปรากฏน้อมไปพิจารณานิรุธนิรุดก็ปรากฏน้อมไปพิจารณาปฏิพานปฏิพานก็ปรากฏเพราะท่านเป็นเลิศเป็นยอดทางในด้าน ปฏิสัมพิธาเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถกําหนดรู้ชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรทคขามินีปฏิปทาเนี่ย น, นะชรามรณะกับชรามรณะนิโรธเป็นอัฏฐชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรทัคขามินีปฏิปทาเป็น อันนะั้เป็นธรรมะปัญญาที่เอาสิ่งเหล่านี้มาบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยได้ก็เป็นนโรติผู้ที่มีความรู้ในความรู้เชี่ยวชาญทั้งปัญญา3ามอย่างที่กล่าวไปแล้วก็เป็นผู้มีปฏิภาณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโดยนัยะต่างๆนัยะไม่มีที่สุดเนี่ย น, นะเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพิทาเนี่รายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวก็ดูในปฏิสัมพิทาพิพังอา่าตอนหนึ่งที่พระมหากดทิตตเนี่ยนะนั่งคิดถึงปัญหาสอบถามคิด คิดอย่างไรชื่อว่าคนมีปัญญาสามอย่างไรชื่อว่าคนมีปัญญาสามอย่างไรชื่อว่าคนมีปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าส ป, ปัญยอส ป, ปัโยอคนมีปัญญาเอ๊ะคนมีปัญญาเป็นยังไงท่านตอบเองก็ได้ทั้งหมดแต่ท่านก็คิดว่าถ้าเราไปได้เอาปัญหาอันนี้เนี่ยนะไปคุยกับคนที่มีปัญญาเนี่ย เนื้อหาพระธรรมเนี่ยคงจะดีเยี่ยมเพราะคำถามอันนี้เนี่ยเป็นคำถามเป็นเทสนาที่งดงามเหลือเกินเนี่ยนะงามมากเลยนะบอกเอ้มีปัญญาอย่างไรชื่อว่ามีปัญญาอ๋อมีปัญญาต้องรู้อริยสัจอย่างไรชื่อว่าไม่มีปัญญาก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้อริยสัจนั่นแหละทีนี้เอถ้าถ้าคิดเองเออเองนั่งอยู่เงียบๆเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยคือคือมันก็งามแต่มันไม่งามพอ แต่ธรรมเทศนานิงามจำเราจะต้องเทียบเคียงกับท่านแมทัพธรรมเรียกว่าแม่ทัพหรือว่าเสนาบดีในทางธรรมคือผู้เป็นพี่ชายใหญ่ซึ่งหมายถึงพระสารีบุตรเนี่ยนะผู้ธรรมเสนาบดีเนี่ยนะเรียกว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ต่อจากนั้นพระธรรมเทศนาที่เราทั้งสองใช้มติมเติเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะใช้ปัญญาอย่างเดียวกันใช้อัธยาศัยที่ที่ดีงามอย่างเดียวกันตั้งเอาไว้ก็จะกลายเป็นพระธรรมเทศนาที่หนักแน่นปานร่มหินเกี่ยว่าเป็นเกี่ยวกัฉัดหินเนี่ยนะแต่ว่าหนักแน่นมากพระธรรมเทศนาที่ทั้งพระ ม, มหากุถิตาพระพระสาริบุตรใช้สติปัญญาพิจารณาใครครวญแสดงกันสองคนเนี่ยนะ ก็ว่ผลงานที่เขียนขึ้นสองคนเนี่ยนะหรือสนทนากันสองคนก็เยี่ยมกว่าคนเดียวว่างั้นแต่ก็ต้องว่าควบคู่กันนะน spatula, คือเรียกว่าเคียงคู่นะนะบอกว่าอย่างสิ่งที่มีเรี่ยวแรงเนี่ยถ้าเครื่องสองเครื่องกับเครื่องเดียวไหนจะแรงกว่กากันสองเครื่องก็แรงกว่กากันแต่ไม่ใช่เอาเครื่องหนึ่งมาเครื่องเสียมาตั้งไว้นะก็กินแรงนะไม่ใช่แต่นี่หมายถึงว่าคือเรียกว่าเรี่ยวแรงพละเหมือนกันพ่าน ธรรมเทศนาที่พระมหากฏุิตะกับพระสารีบดสนทนาการจะกลายไปเป็นพระธรรมเทศนาที่มีอุปการะมากเปรียบเหมือนเรือจอดรอไว้ที่ท่าเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการข้ามห่วงน้ำเนี่ยนะข้ามโอฆะทั้งสีก็มาขึ้นเรือแล้วก็ข้ามสู่ฝากได้เปรียบเหมือนรถเทียมะมอาชาในตั้งพันตัว สำหรับผู้ที่ต้องการไปสวรรค์ พ, พระธรรมเทศนาเนี่ยเป็นพระธรรมเทศนาที่งดงามเนี่ยนะเป็นพระธรรมเทศนาที่ไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแลยที่สุดใช้ปัญญาของผู้ที่เลิศทางเอตะทะัคคะเนี่ยนะปฏิสัมพิธาและเป็นอักขระสาวกผู้เลิศทางปัญญาสองท่านเนี่ยมาใช้ปัญญาเทียบเคียงร่วมกันเนี่ยนะถือว่าเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาที่ไพเราะมากเป็นพระสูตรที่เนื้อหาที่ ผู้ที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามสามารถที่จะพ้นจากทุกได้เนี่ยนะเข้าใจแม้แต่เข้าใจปัญหาเดียวก็พ้นจากทุกได้เนี่ยนะในจำนวนส1มปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะนี่มาขึ้นปัญหาอันแรกเลยเนี่ยนะที่พระมหากุฏิตะเรียนถามพระสารีบุตรว่ า, าท่านพระสารีบุตรคำที่เรียกกันว่าคนมีปัญญาสามเนี่ยนะ ทุบปัญโยคนมีปัญญาสามด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่หนอเขาเหล่านั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาสามขอให้ท่านบอกด้วยเถอะว่าเหตุที่ทําให้เรียกว่าคนมีปัญญาสามเหตุอันนั้นนคืออะไรท่านพระสารีบุตรก็เรียกก็ตอบว่าที่เขาเรียกว่าทุบปัญโยคนมีปัญญาสามก็เพราะเขาไม่รู้ชัด ในอริยสัจไม่รู i, ้แจ <c oughs> ่มแจ้งเนี่ยคือไม่มีปัญญารู้ชัดไม่มีปัญญารู้แจ่มแจ้งคือไม่มีปัญญารู้ชัดเขาไม่รู้ชัดวันนี้ทุกไม่รู้ชัดวันนี้ทุกขสมุทัยไม่มีปัญญารู้ชัดวันนี้ทุกขานิโรธไม่มีปัญญาที่จะรู้ชัดวันนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา เพราะความที่เรียกว่าไม่มีปัญญารู้ชัดนี่แหละจึงเรียกว่าคนโงค่คนไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้ชัดอริยสัจเพราะไม่เข้าใจอริยสัจนั่นแหละนี่นะของดราบอกโอ้ยได้ยินอริยสัจมาตั้งหลายครั้งแล้วเราก็มีปัญญา <laughs> <laughs> เพราะอะไร <laughs> เพราะเราได้ยินอริยสัจอย่านัน้ได้ยินกับเข้าใจมันคนละอย่างกันนี่นะได้ยินกับเห็นในเหมือนกันหรอกคนเคยอะไรนะคนมีเงินกับคนเห็นเงินในเหมือนกันหรอกว่างั้นนะ คนบอได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ตัวเลขเกิดมาวเงินล้านหนึ่งถ้าเอามากองรวมกันจะเป็นยังไงเขาเกิดมาไม่เคยเห็นเป็นต้นของเมือัน ก, ก็สุดแท้แต่ฉันได้ก็ปัญญานี่เป็นรัตนปัญญานี่เป็นทรพทัพย์ที่ที่มีมูลค่าหาที่สุดมีได้ไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐเท่ากับปัญญาอีกแล้วเนี่ยนะครถ้าถ้ามีปัญญาก็เรียกว่าคนมีทรัพย์มากเนยะถ้าไม่มีปัญญาล่ะบอโอ้ยจบ จ, จ, จนนะนะจนปัญญาของมันนะจนอะไรจะหนักเท่ากับจนปัญญาไม่มีแล้วในโลกนี้เนี่ยนะ อันทำบุญก็ปาถนาขอให้มีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญากับโกงคนไม่เหมือนกันนะย้อนกลับมาบอกว่านับปัญช า, าติไม่มีปัญญาเข้าใจแจม่มแจ้งในอัตถกาาหน้าสองรอยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเป็นต้นไปเนี่ยนะที่เรียกว่าไม่มีปัญญาแจม่มแจ้งก็คือผู้ที่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างแจม่มแจ้งไม่มีความเข้าใจอย่างแจม่มแจ้งเลยวันนี้ทุกเนี่ยนะ ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งเลยวันนี้ทุกขสมุทัยไม่มีปัญญาความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งเลยวันนี้ทุกขานิโรธไม่มีปัญญาที่จะรู้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยวันนี้ทุกขานิโรธคามไมีปฏิปทาเนี่ยนะบอกบอกปีบอกว่าคิดนะเอ๊มันเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นยังไงเนี่ยนะก็นั่งทําตาเปรีบนี้ทุกเนี่ยนะเห็นอย่างนั้นไหมเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยเนี่ยนะไม่เผลอเลยวันนี้ทุกเนี่ยนะ เป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นทัศนคติของของตัวจริงๆที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม่นยําเลยวันนี้ทุกอย่างไหมนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมันลืมตาปั๊บไม่เผลอที่จะลืมที่จะเผลอในเรื่องอริยสัจไม่มีเนี่ยนะไม่เผลอเลยที่จะเห็นอริยสัจเอางี้แนหะคนขี้โกรธเนี่ยนะเวลาโกรธเนี่ยเผลอที่จะโกรธไหมลืมโกรธมีไหมยอย่างอ่ะ น, นะสมมติถ้าความโกรธมันย่อมเนี่ย ถ้าเราไม่ชอบอะไรเนี่ยนะเรามองมองด้วยความโกรธนี่เพลยไหมไม่เพลอถ้าลองไม่ชอบดูเถอะไม่เพลยง่ายง่ายหรอกอะถ้าเราถ้าเราโลภละเพลยไหมไม่เพลอง่ายๆเนี่ยนะคือคือยังไงก็ไม่ค่อยเพลอเพราะความด้วยอนุภาพของความโลภความลุ่มหลงทั้งหลายก็เหมือนกันมันไม่เพลอฉลาดขึ้นมาง่ายงหรอกนั้นเอะมันก็หลงอยู่งั้นแหละโง่อยู่อย่างงั้นแหละฉันใดถ้ามีปัญญาจริงมันก็ไม่เพลอตกไปสู่ภายใต้ของความโง่เนี่ยนะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่ง ความโง่เพราะถ้ามีปัญญาอย่างถึงอริยศาสตร์ทั้งหลายก็ฉันนั้นมีปัญญาเข้าใจอย่างชัดเจนในวันนี้ทุกเนี่ยนะนี้ทุกเนี่ยนี้ทุกเนี่ยหนึ่งปีละนะอะนนะคือเห็นความเบียดเบียนของสังขารธรรมเลยเนี่ย น, นะเห็นความเบียดเบียนของขันอายตนะธาตุเลยเนี่ยนะเบียดเบียนด้วยอะไรขันอายตนะธาตุถูกเบียดเบียนด้วยชาติชรามรณะ สาเหตุแห่งโสกกระปริเทวทุกขโทมนัสและอุปหญาติเห็นเลยไอตัวเบียดเบียนไม่มีสิ่งใดที่จะเบียดเบียนนอกจากทุกข์อีกแล้วแต่ถ้าไม่มีปัญญามันไม่ได้เห็นความเบียดเบียนหรอกเห็นแต่โอ้ดีจริงๆวิเศษมากบุญตาเหลือเกินที่ได้พบเห็นอหมือนกันนะนะก็มีตรงกันข้ามเลยใช่ไหมทีนี้ ปีละะสันตาปะเนี่ยเนี่ยมันของร้อนทั้งนั้นแหละเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเร่าร้อนคือราคะเร่าร้อนเพราะโทสะเร่าร้อนเพราะโมหะตัวมันเองก็เร่าร้อนเพราะชาติชรา ม, มรณะเป็นต้นมันทุกครั้งที่ลืมตาเห็นความเร่าร้อนของการเห็นเลยบ่างั้นเนถะการเห็นเนี่ยมันเร่ า, าร้อนยังไงและเป็นที่ตั้งแห่งความเร่ า, าร้อนยังไงและการเห็นเนี่ยมันสังคดะธรรมถูกปัจจัยแค่ไหนประชุมปรุงแต่งกว่า จะเห็นขึ้นถึงจะปัจจัยปรุงแต่งมาดีขนาดไหนอันนี้จาวัตสังขารสังขาราขาไม่มีเที่ยงร้อน่นะเนี่ยนะก็ควรแล้วที่จะเบื่อนายควรแล้วที่จะคลายกำหนัดในสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็เห็นด้วยนะว่าฉันทราคะที่มีในอ่สังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้นำไปสู่ภพใหม่เรียกว่าอายุหณะนะ แล้วก็ตัวฉันทราค่าในสิ่งเหล่านี้เรียกว่านิธานะมอบชาติชรามรณะให้อีกต่อไปเนี่ยนะนี่แหละคือตัวประกอบเอาไว้ในวัตฏะตัณหาที่เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้แหละประกอบให้จมอยู่ในวัตฏะตัณหาเหล่านี้นี่แหละเป็นเอ่อเป็นตัวที่คอยเป็นห่วงเป็นใยทํำให้ไม่สามารถจะออกจากวัตฏะได้อย่างสําเร็จเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญญาก็คือไม่รู้ว่านี้ทุกขสมุทัยเนี่ยนะว่าไอ้ตัวการอันนี้แหละจะเป็นเหตุให้ นำไปสู่ภพใหม่เนี่ยนะตัณหานั่นใดที่นำไปสู่เกิดนำไปสู่การเกิดในภพใหม่เป็นตัวความเพลิดเพลินประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยนะทั้งที่เป็นการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตัวเหล่านี้แหละเชื่อมโยงนำไปสู่ภพใหม่แล้วก็ไม่เห็นนิโรสัจา ก, ก็คือไม่เห็นว่านี้นิสรณะเนี่ยนะนี้เป็นธรรมที่นำออกจากภพ เพราะว่าพระนิพพานเป็นชื่อของอัปวัตตะอนิมิตะอนายูหานะอสังกตะอมตะปณีตะเนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่ดับความเกิดดับความแก่ดับความตายดับโศกปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตเนี่ยนะทีนี้เมื่อไม่เห็นว่านิพพานเป็นนิสรณนําออกจากทุกนิพพานนั้นเป็นอมตะเป็นธรรมที่ไม่ตายนิพพานนี่เป็นปณีตะเนี่ยนะเป็นธรรมที่ประณีตเนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นอมตะ แล้วก็เป็นอสังขตะที่นําออกจากทุกเนี่ยนะพันก็ผู้ที่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานเท่านั้นแลยจึงจะนําออกจากกองทุกขทั้งหลายเหล่านี้ในทวาร6กเนี่ยนะกองทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าไม่อาศัยนิพพานแล้วไม่สามารถที่จะออกจากกองทุกขเหล่านี้ได้ไม่สามารถที่จะพ้นจาก วัตถทุกสังขารทุกข์สังคตะทุกเหล่านี้ไปได้เลยเนี่ยนะพระ น, นิพานนี่เป็นธรรมที่พ้นจากวัตถทุกขโดยประการทั้งบวกมองเห็นว่า น, นี้เป็นนิพานเป็นที่พ้นทุกข์และก็มองเห็นว่า น, นี้เป็นข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกเนี่ยนะอันปัญญาที่ไปเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นความหลับทุกอ่ะปัญญาอันนี้แหละเป็นตัวที่นําออกจากทุกเนี่ยนะทัศนะตัวนี้แหละ ทัศนะความรู้ความเห็นเห็นความทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกความรู้ความเห็นความเข้าใจตัวนี้แหละเป็นตัวที่นําออกจากทุกสังขารธรรมเหล่านี้แหละเป็นธรรมที่นําออกจากทุกเป็นอธิปไตยธรรมเป็นเหตุเหตุเหตธรรมเนี่ยเหตุตุธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์เป็นธรรมที่สลัดออกจากความทุกข์ทั้งปวงทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาสักอย่างเดียว ม, มันก็จบเลยใช่ไหม เห็นไหมวันนี้ทุกปีระณะสันตาปวิปรินามะสังกตะนี้สมุทัยอันนีฐานะอายุหะณะสังโยคะปริโพทะก็ไม่มีปัญญาแบบนี้นิโรธเนี่ยนะนิสรณะอมตะปณีตะสังคตะก็ไม่เห็นอีกวันนี้มักเขาคือนิยานิกะเนี่ยนะเหตุทัศนะแล้วก็อธิปไตยเนี่ยก็ไม่เห็นพอไม่เห็นปั๊บมันก็ทําไงดี เอาไม่เห็นอริยสัจมัก็ไม่พ้นทุกข์มันก็มีง่ายนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ทุกเคยทุกมาใช่ไหมก็ทุกต่อไปก็แล้วกัน น, นะนะเอาทำไมอ่ะเขาไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเนี่ยนะเอาถ้าไม่มีเขาบอกว่าเขาบกจน เ, เคยจนมาแต่ไม่มีปัญญาหาทรัพย์ก็ขอจนต่อไปมันก็มีอยู่แค่นี้นะเขาบอกว่าผู้ที่จมอยู่ในวัฏฏะถ้าไม่มีปัญญาเห็นอริยสัจก็อยู่ในวัฏฏะต่อไปเนี่ยนะ เคยทุกมาหมายว่าคนป่วยมาเนี่ยนะป่วยที่จําเป็นเราเป็นโรคชนิดที่เรียกว่าต้องรักษาจึงจะหายต้องมียาที่กินตามสูตรตามขนาดรักษาจึงจะหายเขาบอกว่าป่วยมาบอกยาหมดก็แปลว่าป่วยต่อไปเนี่ยนะไม่มียาก็ป่วยต่อไปเจ็บต่อไปเนี่ยนะแต่ก็คนที่เป็นอย่างนี้ถามว่าน่าสงสารไหมเนี่ยนะน่าสงสารมากเลยนะเคยสงสารตัวเองบ้างไหมนะสงสารว่าทําไมเรานะช่างอวิชชาปัจจญาสังขาราเทเนี่ยนะ ทุกครั้งที่เห็นก็นำมาซึ่งน้ำตาหมดเลยเนี่ยนะตั้งคาถามว่ามีการเห็นครั้งไหนมั่งไม่นำมาซึ่งน้ำตามีการฟังครั้งไหนมั่งที่ไม่นำมาซึ่งน้ำตาจนได้เน่นะเราเ อ, อเห็นเนี่ยทุกการเห็นเนี่ยเตรียมซับน้ำตาไว้เธอเนี่ยนะได้ยินนี่ก็เตรียมซับน้ำตาไว้เธอนะี่นะการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นลิ้มรสรับกระทบสัมผัสนึกคิดทั้งหลายเชื่อเถอะจบด้วย โศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเพราะมันแปลสภาพได้เหมือนอาหารสดทุกชนิดนํามาซึ่งอะไรอาหารสดเนี่ยนะถ้าถ้า ถ, ถ้าสดแล้วเมื่อมันเป็นอาหารที่สดปรุงสําเร็จแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นอะไรมันจะสดอย่างนั้นตลอดไปไหมอันน้นอา้าวมันก็กลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วอย่างดอกไม้ที่มันสดที่มันสวยที่สดุดจะกลายเป็นดอกไม้อะไรอันนันก็ดอกเป็นดอกไม้เหี่ยวดอกไม้เฉาดอกไม้เมน่าเป็นต้นเน่ยนะ ฉันใดสังขารธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะทุกอย่างมันจบลงที่ชรามรณโาโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตหมดเลยคันนี้สิ้นสุดสัทีหนึ่งจบสัทีหนึ่งบอกไม่พอชาติชรามรณโาโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตมหาวิชาใหม่เนี่ยนะพันมหาเหตุใหม่นะขึ้นต้นประวัติศาสตร์สารอยอีกแล้วเนี่ยนะและอะไรนําไปสู่โสกกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาต พอโศกและฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมยิ่งโศกมากยิ่งยิ่งเก่งขึ้นบอกไม้เลยโดยมากงอกะกาอีกเนี่ยนะนะโบนมากแล้วฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมหนักหนักกะกาวอีกทุกมากแล้วฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมยากเสียใจมากก็ยิ่งฉลาดขึ้นเลยใช่ไหมยากเนี่ยนะขับแค้นใจมากแล้วฉลาดขึ้นเลยไหมยากเพราะฉะนั้นโศกก็เป็นเหตุแห่งอวิชชาปริเทวะก็เป็นเหตุแห่งอวิชชาทุก็เป็นเหตุแห่งอวิชชา โทมนัดก็เป็นเหตุแห่งอวิชชาเนี่ยนะอุปายาตก็ยิ่งเป็นเหตุแห่งอวิชชาเพราะฉะนั้นเครียดแล้วแล้วจะฉลาดขึ้นใช่ไหมยากควางั้นนะนะ